มาปฏิบัติธรรมตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการดับความทุกข์ทางใจสร้างความสุขทางใจสร้างความเจริญให้แก่จิตใจขึ้นไปตามลำดับการแสดงธรรมที่นี่ก็จะมีการแบ่งไว้เป็นสองช่วงด้วยกันช่วงแรกคือการแสดงธรรม30นาที แล้วต่อมาอีกสาสิบนาทีก็เป็นการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเพื่อทำใจให้สงบให้เกิดความสุขขึ้นมาทมที่จะแสดงในวันนี้ก็คือเรื่องที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางใจก็คือธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เปลี่ยบเป็นเหมือนยารักษาโรคใจร่างกายของเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องไปรักษาไปหาหมอหายาพอหมอให้ยามาเราก็นำมามารับประทานพอเรารับประทานยาแล้วโรคภัยไข้เจ็บทางร่างกายก็จะหายไป โรคภัยทางใจคือความทุกข์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความสูญเสียเกิดจากการพัดภาคจากสิ่งที่เรารักเราชอบไปเนื้อเกิดจากการได้พบกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนาะที่ทําให้ใจเราวุ่นวายทําให้ใจเราวิตกกังวลหวาดกลัว เศร้าโศกเสียใจหรือซึมเศร้า อ, อาการเหล่านี้เรียกว่าเป็นความทุกข์ทางใจหรือความไม่สบายใจที่หมอทางร่างกายได้ยาทางร่างกายไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ยาที่จะรักษา โรคทางใจให้หายได้ก็คือธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องไปหาหมอทางใจหมอทางใจก็คือพระพุทธทเจ้าพระอริยสงสาวกนี้เองพระที่เป็นพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเวลาเรามีความไม่สบายใจมีความทุกข์ใจเราอยากจะให้ความไม่สบายใจ ความทุกข์ใจหายไปเราก็ต้องเข้าหาหมอทางใจเพื่อจะได้ไปรับยาทางใจมารักษาความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไป mm hmm. พระพุทธเจ้ากับพระริยาสงสาวกนี้เปรียบเหมือนกับหมอทางใจ mm hmm. เหมือนกับหมอทางร่างกายท่า mm hmm. นได้ศึกษาวิธีรักษา ความทุกข์ทางใจได้สำเร็จแล้วท่านสามารถกำจัดความทุกข์ทางใจต่างๆที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปได้แล้ว mm hmm. ท่านได้พบยาวิเศษคือธรรมะที่พระองค์ที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารุกนำม า, มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่อยากจะหายจากโลกทางใจ mm hmm. ผู้ที่ได้ยินได้ฟังธรรมก็คือเป็นผู้ที่ได้ไปรับยาจากพระพุทธเจ้าก็ดีหรือรับยาจากพระอริยสงฆ์สาวกก็ดีพอรับยามารับประทานแล้วเดี๋ยวโรคทางใจก็จะหายไปเหมือนกับโรคทางร่างกายอันนี้คือโรคที่พิ่งทางใจก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เอง พระพุทธเจ้าพระอริยรสงฆ์สาวกนี้เป็นหมอเันผู้ที่จะให้ยาเราเวลาที่เรามีความทุกข์ใจยาที่เอามารักษาโรคความทุกข์ทางใจก็คือธรรมะคำสั่งคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าเองก็ดีของพระอริยรสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเองก็ได้ธรรมะนี้มีสองทางด้วยกัน ทางทางที่หนึ่งก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงคือคำสอนที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลาสี่สิห้าปีด้วยกันหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสัลโวได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจแล้วได้พบยาวิเศษคือธรรมะอันประเสริฐที่จะนำม า, มาใช้ในการดับความทุกข์ทางใจได้แล้วพระองค์ก็จะ นำเอาความรู้นี้มาเทศนามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่สนใจวันหนึ่งนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมหลายรอบด้วยกันเช่นตอนบ่ายก็ทรงแสดงธรรมให้กับศรัทธาญาติโยมคารวาทุกครองเรือนยามค่ำก็ทรงแสดงธรรมให้กับนักบวชพระภิกษุภิกษุณี ยามดึกก็ทรงแสดงทำให้กับเทวดาและในยามเช้าก่อนที่จะทรงเสด็จออกบินทบาทก็ทรงเร่งยานดูว่ามีใครที่จะสามารถบรรลุธรรมได้ในวัน น, น, น, นี้หรืออยู่ในภาวะที่อาจจะต้องเสียชีวิตไปในเระยะเวลาอันใกล้ ออก็จะส่งมุ่งไปโปรดบุคคล น, นั้นเป็นกรณีพิเศษแล้วการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าในแต่ละครั้งก็จะมีพระที่ติดตามเอามาท่องจํากันเอามาถ่ายทอดให้กับพระรูปอื่นตามลําดับพระที่มาบวชกันก็จะเรียนรู้คําสั่งคําสอนต่ตางๆที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้ด้วยการท่องจดจําถ่ายทอดจากพระเก่าไปสู่พระใหม่นะ พระที่บวชเก่าแล้วก็จะท่องจำคำสอนต่างๆที่ได้ส่งแสดงไว้ตามสถานที่ต่างๆแล้วพระที่มาบวชใหม่ก็จะอาศัยการการท่องจำของพระที่บวชเก่านี้เอามาท่องจำต่อแล้วก็ามาเป็นการวิธีเรียนรู้ไปในตัวด้วยเราจะไปเรียนกับพระพุทธเจ้าโดยตรงตลอดเวลาคงจะเป็นไปไม่ได้ พระพุทธเจ้านี้มีพระองค์เดียวแต่พระที่มาบวชเพื่อจะศึกษาปฏิบัติกับพระพุทธเจ้านี้ก็มีเป็นจํานวนมากก็เลยต้องอาศัยการถ่ายทอดคําสอนที่ได้จดจํากันมาเป็นทอดทอดไปหรือบางครั้งก็ไปศึกษาจากพระอริยสงสาวุก ข, ของพระพุทธเจ้าคือพระที่ได้บวชได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้บรรลุธรรมแล้วได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้ว ก็จะเป็นผู้ที่จะมาช่วยนำเอาธรรมะ อ, อันวิเศษนี้มาสั่งสอนมาเผยแพ่ให้กับผู้ที่มีความปรารถนาที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจได้เรียนรู้ได้ศึกษาและได้นำเอาไปปฏิบัติตามลำดับต่อไปเพราธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลาสี่สิบห้าปีจึงมีจำนวนมาก <Yeah. S 1> ที่มี บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกก็มีแปดหมสี่พันธรรมบทด้วยกัน<ด>เป็นธรรม ท, ที่ผู้ที่สนใจอยากจะศึกษาอยากจะลริ่มเรีนอยากจะรู้วิธีการดับความทุกข์ของใจว่าทําอย่างไรก็สามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากพระไตรปิฎกได้ไม่มีความจําเป็นว่าจะต้องศึกษาพระไตรปิฎกทั้งหมด อาจจะศึกษาบางบทบา ง, บางบางตอนที่ที่ที่จะสอนวิธีของการดับความทุกข์เพื่อที่เอาจะได้นำเอาไปปฏิบัติได้ก็พอเพราะคำสอนที่มีมากมายเหล่านี้ก็มักจะมีการซ้าสอนซ้ำกัน mm hmm. นี่คือธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เรายังสามารถเข้าหาได้อยู่ในปัจจุบันนี้เพราะเรามีพระคัมภีร์พระไตปิโดทุกวันนี้จะมีพระพระไตปิโดกเก็บไว้ในวัดไว้ให้ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่มเรีย น, นวิธีการดับความทุกข์ต่างๆที่ถ้าใครอยากจะดับความทุกข์อยากจะทําให้ใจสบายหายจากความทุกข์ความเครียดต่างๆ ก็จาเป็นที่จะต้องเข้าหายารักษาโรคโรคของความเพรียดเข้าหาหมอหมอที่จะสอนที่จะบอกวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อได้เรียนรู้แล้วก็จะได้นำเอาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วผลก็คือความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปตามลำดับ จนในที่สุดก็จะหายไปได้อย่างหมดสิน้นอย่างไม่ไม่ไม่มีที่สงสัยเพรามีผู้ที่ได้สนใจได้ศึกษาคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้นำเอาไปปฏิบัติจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจได้อย่างสิ้นเชิงแล้วมาเป็นมาเป็นตามลำดับนับตั้งแต่ วันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้แก่ให้แก่สัตว์โลกก็มีผู้ที่ได้ยินได้ฟังทำสามารถน้อมนําเอาไปปฏิบัติและบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วบางคนก็ต้องใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ต้องใช้เวลาใช้เวลาน้อยหน่อยขึ้นอยู่กับบุญบารมีเก่าที่ได้สะสมติดตัวมา응 ถ้าได้สะสมบุญบารมีเก่ามามากการศึกษาการปฏิบัติเพื่อการบุษย์การหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะเป็นไปได้ง่ายเป็นไปได้เร็วถ้าได้ศึกษาถ้าได้สะสมบุญบารมีมาน้อยอก็จะต้องใช้เวลามากกว่าผู้ที่มีบุญบารมีมากกว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมจึงมีระยะเวลา มนุษย์ทำต่างกันเช่นในสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าก็ทรงปรยากรไว้ว่าถ้าใครสามารถปฏิบัติตามคําสอนในสติปัฏฐานสูตรได้ก็จะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีของแต่ละคนที่ได้สะสมกันมาในอดีต ว่ามีมากมีน้อยต่างกันอย่างไรแต่ที่แน่นอนก็คือจะได้บรรลุได้หลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแน่นอนถ้ามีความเพียรพยายามปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องไม่หยุดไม่หย่อนไม่ไม่ละไม่ถอยปฏิบัติไปเรื่อยๆตามกำลังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามกำลังเดี๋ยวก็จะสามารถที่จะทำลายความทุกข์ต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้สมัยนี้เราก็มีผู้ที่สามารถจะสั่งสอนเราก็ก็มีสั่งสอนทางพระคำพีก็มีพระอาจารย์ต่างๆที่ท่านศึกษาพระคำพีมาท่านก็เอาความรู้ที่ท่านได้เรียนรู้จากพระคำพีมาสั่งสอนเมื่อเราได้ศึกษาได้เรียนรู้วิธีการรักษาใจให้หายจากความทุกข์ ว่าต้องทําอย่างไรแล้วเราก็นําเอาไปปฏิบัติก็าอาจารย์ที่สอนก็มีสองแบบอาจารย์ที่สอนจากคัมภีร์แต่ยังไม่ได้ปฏิบัติกับอาจารย์ที่ได้ศึกษาจากคัมภีรก็ดีหรือจากพระอริยสงสาวุ ก, ก็ดีแล้วได้นําเอาไปปฏิบัติจนได้หลุดพ้นจากความทุกข์ ก็มีม <displaying> ีอาจารย์สองรูปแบบด้วยกันอาจารย์ที่เรียนแต่ยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่ได้หลุดพ้นกับอาจารย์ที่ได้เรียนได้ปฏิบัติและได้หลุดพ้นแล้วถ้าได้เรียนจากอาจารย์ที่ได้ที่ได้ปฏิบัติได้เรียนได้ปฏิบัติได้หลุดพ้นแล้วโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะเป็นไปได้ง่ายและและมากกว่า โอกาสที่จะได้เรียนที่จะได้หลุดพ้น Manager จากการได้เรียนจากอาจารย์ที่ได้เพียงแต่เรียนพระคัมภีร์แต่ยัง <SM C. S 2> ไม่ได้ปฏิบัต <Capt age dobrze obviamente> ิเพราะถ้าท่านยังไม่ได้ปฏิบัติก็แสดงว่าท่านยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อยังไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็ยังจะไม่สามารถสอนวิธีการดับความทุกข์ได้อย่างสมบูรณ์เพราะต้องอาศัยความรู้ที่เกิดจากการปฏิบัติ มาเสริมความรู้ที่เกิดจากการได้ศึกษาจากพระคำพีอีกทอดหนึ่งการศึกษาจากพระคำพีโดยถ่ายเดียวนี้ยังไม่สามารถที่จะทำให้ความทุกข์ทางใจหลุดพ้นไปได้นต้องอาศัยการปฏิบัตนะิเพื่อที่จะนำเอาความรู้ที่มีอยู่ในพระคำพีนี้เอาเข้ามาสู่ใจเพื่อที่จะได้มา ดับความทุกข์ทางใจต่างๆได้เหมือนกับเหมือนกับยารักษาโรคทางทางร่างกายเวลาเราไม่สบายเราก็ไปหาหมอหมอก็สั่งยามาให้ให้เราเอาไปรับประทานวันละกี่ครั้งครั้งละกี่เม็ดเป็นต้นถ้าเรารับยามาแล้วแต่เราเราไม่เอาอยานี้มารับประทานยาก็จะไม่สามารถทำหน้าที่ของยา คือรักษาโรคทางร่างกายให้หายได้เพราะยายังไม่ได้เข้าไปในร่างกายนั่นเองถ้าอยากจะให้ยาทำหน้าที่รักษาโรคที่มีในร่างกายของเราให้หายไปเราก็ต้องเอายาที่หมอให้เรามานี้เอามารับประทานอีกทีหนึ่งก่อนหมอกินยาแทนเราไม่ได้หมอป้อนยาให้เราไม่ได้เพราะไม่ได้เราไม่ได้อยู่กับหมอตลอดเวลาเราต้องเป็นคนกินยาเอง เมื่ อ, อาอยาเข้าไปในร่างกายแล้วยาก็จะได้ทําหน้าที่เข้าไปกําจัดโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หมดไปได้ฉันใดยาทางใจก็เป็นลักษณะเดียวยาทางใจก็คือธรรมะคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราเพียงแต่ได้เรียนรู้ได้ยินได้ฟังทำได้อ่านหนังสือธรรมะจะบางจากพระไตรปิฎกก็ดีจะมาจากพระ อริยสงสาวุก ข, ของพระพุทธเจ้าก็ดีเป็นเป็นยาที่สามารถเอามาใช้ดับความทุกข์ทางใจได้แต่เรายังต้องเอาเข้ามาในใจเราก่อนเพราะธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังตอนนี้ยังเป็นธรรมะที่ยังไม่ได้เข้าไปในใจของเราเราเพียงแต่ได้ยินได้ฟังได้เรียนรู้ว่าการที่เราจะดับความทุกข์ทางใจได้เราจะต้องทาอย่างไรเหมือนกับหมอว่า หมอบอกว่าให้เอาอยานี้ไปกินกินวันละสามือ้อครั้งละสองเม็ดอย่างนี้เป็นต้นถ้าทําตามหมอสั่งแล้วพ อ, อกินยาตามตามที่หมอสั่งยาก็จะเข้าไปในร่างกายได้น้ายาก็จะได้ทําหน้าที่กําจัดความทุกข์โครคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หมดสิ้นไปได้ความทุกข์ใจก็เช่นเดียวกันเป็นเหมือนโรคทางทางร่างกายต้องมียาเข้าไปในใจ ยาที่จะการที่ยาวยาคุอธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปในใจได้เราก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติตามคำสอนคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระ อ, องค์ที่มาตัดสร้ในโลกนี้เพื่อกำจัดความทุกข์ทางใจของสัตว์โลกนี้เป็นคำสอนที่เหมือนกันเป็นยาชนิดเดียวกันมีอยู่สาม สามอย่างด้วยกันยาที่จะสามารถนํำมอาอมากําจัดความทุกข์ทางใจได้คือหนึ่งการละการะละการกระทําบาปทั้งปวงสองการทําบุญทํากุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คื อ, อยารักษาโรคใจยาที่จะมาทําลายความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปได้ เวลาที่เรามาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมเรามักจะได้ยินยาสามชนิดนี้ตลอดเวลาเพราะนี่เป็นคำสอนหลักของพระพุทธศาสนาสอนวิธีปฏิบัติวิธีที่จะเอายาเข้ามาสู่ใจของเรายาคือยาของยาคือธรรมะยาที่จะมารักษาโรคใจให้หายขาดมีอยู่สาสามชนิดด้วยกัน คือรการกระทำบาปทั้งปวงสองสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆให้ถึงพร้อมสาม <c oughs> ชำะระสักพ่อใจให้สะอาดบริสุทธิ์ <c oughs> นี่คื อ, อยาที่เราจะได้รับจากหมอคือพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระอริยสงสาวุ ก, ก็ดี <c oughs> ท่านจะสอนเหมือนกันหมดนะ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้ามาตัสลุกี่องค์ก <c oughs> ี่สมัยกี่ยุค ก็จะสอนเหมือนกันพระอริยสงสาวุญที่ได้ศึกษาได้เรียนรู้ได้บรรลุจากพระพุทธเจ้าแต่และพระองค<ๆ>์ก็จะเอามาสอนเหมือนกันหมดทุกๆพระองค์เพราะนี่เป็นวิธีเดียวเป็นทางเดียวที่จะนำไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆของใจได้ดังนั้นสิ่งที่เราที่ยังเป็นคนไข้อยู่พวกเราตอนนี้เป็นเหมือนคนไข้ มีโรคไม่มีความไม่สบายใจเป็นโรคของทางใจมีความเครียดบ้างมีความวิตกกังวลบ้างมีความหวาดกลัวบ้างมีความเศร้าโศกเสียใจบ้างอาการเหล่านี้เป็นอาการของความของความไม่สบายใจของใจที่ที่จะต้องใช้ธรรมะเข้ามากําจัดเพียงอย่างเดียว เพราะยาทางโลกนี้ไม่สามารถที่จะมากำจัดความทุกข์ความโาครคภัยไข้เจ็บทางใจได้ <Yeah. S 1> ต้องอาศัยยาทางธรรมยาทางธรรมที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ได้ตัดสรู้ได้ค้นพบ mm hmm. ด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เอง mm hmm. อยาชนิดนี้ไม่มีใครที่จะสามารถที่จะค้นคว้าหา ได้ด้วยตนเองยกเว้นพระโพธิสัตว์ผู้ที่มีบุญบา ร, รมีที่สูงส่งที่สามารถที่จะศึกษาค้นคว้าหายาอันเบเสะนนี้ด้วยการตัดสรลุปเป็นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้เองนอกานั้นพวกคนอย่างพวกเหล่านี้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสั่งสอนวิธีของการรับความทุกข์ทางใจนี้เราจะไม่สามารถ ค้นหาวิธีได้ด้วยตนด้วยตัวของเราเองเลยเราจะต้องรอโอกาสมาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละเราถึงจะมีโอกาสที่เราจะสามารถรักษาความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปได้อย่างพรนี้ชาตินี้ถือว่าเป็นโอกาสอันประเสริฐอันเลิศของพวกเราทุกคน ที่ได้มาเจอกับหมอที่รู้จักวิธีรักษาใจคือพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพระอริยสงสารกก็ดีได้มาพบกับยาอันประเสริฐคือคาคือธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสิ่งที่เราต้องทำก็คือไปรับยานี้มาจากพระพุทธเจ้าก็ดีไปรับยามาจากพระอริยสงสารกก็ดีเมื่อรับยามาแล้วก็ให้นาเอามากินกัน วิธีกินยาทางใจนี้ก็คือวิธีการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอน uh huh. ข้อแรกท่านสอนให้เราละ ก, การกระทําบาปทั้งปวงก็ uh huh. คือให้เราตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าให้รักษาศีลห้าให้ได้ uh huh. อย่าทําบาปโดยเด็ดขาดและอย่าไปเสพอบายามุขผู้ที่จะสนับสนุนหรือดึงให้ใจไปทําบาปได้ง่าย uh huh. บาปก็มีอยู่สี่ข้อคือ การฆ่าสัตว์การรักษรการประพฤติผิดในการการพูดป่นแล้วก็มีอบายมุขอีกหข้อคือการดื่มสุลายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการเกลียดเกียดข้านแล้วก็การคบคนที่ชอบอบายมุขเป็นมิตรเพราะถ้าเราไปคบกับคนที่ชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุรา ถ้าเขาชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเขาชอบเที่ยวกลางคืนเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวกลางคืน <men. S 1> ถ้าเช้าถ้าเขาชอบความเกียด้า <Rivera. S 1> นเขาก็จะชวนให้เราเกียดกานเ <asury. S 1> มื่อเราเสพอบายามุขเข้าไปแล้วต่อไปรายได้เราก็จะหมดไปเพราะอบายามุขนี้มีแต่รายจ่ายมีแต่เสียเงินเสียทองต่อไปเราก็ไม่มีเงินใช้แล้วเราก็จะต้องไปหามาด้วยวิธีทำบาป ไปลักขโมยไปชอโกงไปหลอกลวงหรือไปถึงกับไปพ้นไปจี้ไปฆ่าผู้อื่นก็ได้ น, น, นี่คือการกระทำบาปที่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงนำมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสัตว์โลกอย่างพวกเราที่ต้องการจะหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะเวลาทำบาปนี้ใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีความทุกข์ร้อนจะเกิดขึ้นสังเกตดูเวลาเราทาผิดนี้ใจเราจะไม่สบาย เวลาเราโกหกใครเวลาเราเบียดเบียนใครทําร้ายใครเวลาเราอลักทรัพย์ของใครมานี่เราจะมีความรู้สึกไม่สบายใจตามมา <c oughs> ถ้าเราไม่ต้องการให้ความทุกข์ทางใจที่เกิดขึ้นจากการกระทําบาปจากการเสพอบายามุขเราก็ต้องละ ก, การกระทําบาปและการเสพอบายามุขด้วยการถือศีลห้า ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในการไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆเป็นต้นถ้าเราสามารถรักษาได้ทุกวันความทุกข์ทางใจที่เกิดจากการกระทำบาปก็จะไม่เกิดขึ้นมาในใจนี่เราก็กําจัดความทุกข์ไปได้ส่วนหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งคือก็คือการไม่มีความสุขบางทีเราอยู่เฉยๆ ถึงแม้เราจะไม่ได้ทำบาปแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเราไม่มีความสุขความสุขก็คือเป็นความทุกข์อย่างหนึ่งการที่ไม่มีความสุขการที่เราอยากจะทำให้เรามีความสุขทำให้ความทุกข์ที่เกิดจากการไม่มีความสุขหายไปก็ให้เรามาทำความดีต่างๆทำบุญชนิดต่างๆการทำบุญการทำความดีนี้จะทำให้เกิดความสุขใจขึ้นมาเช่นการมาทาบุญทาทาน จะทำกับที่ไหนก็ได้ทํากับวัดก็ได้ทํากับโรงเรียนก็ได้ทํากับโรงพยาบาลก็ได้ทํากับองค์กรสาธารณกุศลต่างๆก็ได้หรือทํากับบุคคลต่างๆก็ได้ที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนช่วยสงเคราะห์กันคนแก่คนชราคนพิการหรือคนที่ประสบกับภัยต่างๆเช่นน้ําท่วมไฟไหม้เป็นต้นคนเหล่านี้เดือดร้อนมีความทุกข์ยากลําบากถ้าเรามี เงินมีทองมีข้าวของที่เราสามารถแบ่งปันไปช่วยเหลือเขาได้ก็จะทำให้ความทุกข์ยากของเขาอยลงทำให้เขามีความสุขเกิดขึ้นมาในการทำให้ผู้มีความสุขลดความทุกข์ของผู้นลงไปนี่มันจะทำให้ใจเราเกิดความสุขขึ้นมาอันนี้คือข้อที่สองการเราทําบุญทํากุศลชนิดต่างๆแล้วแต่โอกาส โอกาสนี้ให้ทาบุญกับวัดก็ทำกับวัดโอกาสนี้ให้ทาบุญกับโรงพยาบาลก็ทำบุญกับโรงพยาบาลเช่นนี้เรามีปัญหาทางชายแดนเราก็มาทาบุญให้กับประเทศชาติสมข้าวของสบียงอะไรต่างๆไปให้กับทหารผู้ที่รักษาปกป้องอธิปไตยของประเทศอันนี้ก็สามารถก็ถือว่าเป็นการทาบุญเหมือนกัน ทำแล้วจะทำให้เรามีความสุขใจสบายใจดีกว่าเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดมันจะได้ความสุขชั่วขณะที่เสร็พอหลังจากนั้นความสุขนั้นก็จะจางหายไปเราจะทาให้ เ, เรารรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจไม่มีความสุขเหมือนเดิมนะแต่ถ้าทาบุญทาทานแล้วใจจะมีความสุขมีความอิ่ม ไปหลายวันบางทีเป็นอาทิตย์เป็นเดือนก็ได้นะ <Yeah. S 2> ยิ่งถ้าทําบ่อยๆทําอยู่เรื่อยๆมันก็จะทําให้ใจเรามีความสุขเราเลี้ยงใจเราไปเรื่อยๆ <Yeah. S 2> ความทุกข์ที่เกิดจากการไม่มีความสุขก็จะไม่มี <Yeah. S 2> ข้อที่สามก็คือให้เรามากําจัดกิเลสตัณหาตัวที่มาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆที่การที่การรักษาศีลก็ดีการทําบุญก็ดียังไม่สามารถกําจัดได้ yeah. เราก็ต้องใช้วิธีกำจัดกิเลสตัณหาโมหะวิชาด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาซักพอกจิตใจให้สะอาดด้วยการฝึกส ม, มถะภาวนาก็คือการทำใจให้นิ่งให้สงบเพราะว่าเวลาใจนิ่งสงบแล้วกิเลสตัณหาต่างๆก็จะไม่สามารถทำงานได้ความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาก็จะหายไปชั่วคราว ขั้นที่หนึ่งของการซักพอกของการภาวนาคือสมาถะภาวนาทำใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิแล้วเมื่อเราสามารถทำใจให้สงบนั่งสมาธิได้แล้วเวลาออกจากสมาธิมาเวลากิเลสจะกลับมาทำงานใหม่เราก็มาใช้ปัญญามากำจัดมันเพราะสมาธิไม่สามารถกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปได้เพียงแต่กดมันไว้ได้เท่านั้นเอง แต่พอออกจากสมาธิมากิเลสตัณหาก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่เราก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าทำตามกิเลสตัณหาเพราะมันจะนำไปสู่ความทุกข์เพราะสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นของเป็นความสุขชั่วคราวมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่เราควบคุมบังคับให้อยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปได้ไปไม่ได้ตลอดได้อะไรมาแล้ว เ, เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวสิ่งที่ได้มาพอจากเราไปก็ทาให้เราเศร้า เช่นได้แฟนมาก็มีความสุขวันดีคืนดีแฟนจากเราไปความสุขนั้นก็จะหายไปเหลือแต่ความทุกข์ตามมาต้องใช้ปัญญาสอนใจให้เห็นว่าทุกอย่างที่เราอยากได้นั้นเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะสามารถหยุดความอยากหยุดกิเลสตัณหาต่างๆได้ต่อไปพอไม่มีกิเลสตัณหาหลงเหลืออยู่ในใจ ใจเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปพอเราได้กําจัดความทุกข์ทั้งด้วยการปฏิบัติสาขั้นตอนด้วยกันกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากการกระทําบาลด้วยการละเว้นจากการกระทําบาปกําจัดความทุกข์ที่เกิดจากการไม่มีความสุขด้วยการทําบุญทํากุศลต่างๆแล้วกับจัดกิเลสความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆที่การรักษาศีลการทําบุญไม่สามารถกําจัดได้ ก็ต้องอาศัยการกําจัดด้วยการฝึกสตินั่งสมาธิแล้วหลังจากที่ออกจากสมาธิมาก็ใช้ปัญญาคอยสอนใจว่าอย่าไปทําตามความอยากเพราะสิ่งที่อยากได้มันจะไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนถาวรเป็นความสุขชั่วคราวพอเวลาความสุขที่ได้มาหมดไปสูญไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ต่อไปนี่คือเรื่องของการนาเมายาอันวิเศษยาที่จะมารักษาโรคของใจนี้ <c oughs> ให้หมดสิ้นไปจากใจด้วยการเข้าหาพระพุทธเจ้าก็ดีหาพระอริยสงสาวกก็ดีวิธีเข้าหาพระพุทธเจ้าก็คือเข้าหาพระคําสอนในพระไตรปิฎกนี่เราใจเร า, เรายัางสามารถเข้าหาพระพุทธเจ้าได้อยู่จาบได้ที่ยังมีพระไตรปิฎกอยู่ในโลกนี้อยู่หรือ ว, ว่าถ้าเราอยู่ใกล้พระอริยสงสาวกุกเราก็เข้าหาพระอริยสงสาวกก็ได้ท่านก็จะสอนเหมือนกันสอนให้เราละ บ, บาปทําบุญแล้วก็สร้าง ชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์พอเรารู้แล้วว่าเราต้องทำอะไร <c oughs> เราก็นำออกไปปฏิบัติต่อถ้าเราปฏิบัติอย่างเข้มข้นปฏิบัติอย่างต่อเนื่องต่อไปความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราก็จะหมดสิ้นไปอย่างแน่นอน <c oughs> นี่ก็คือเรื่องของการแสดงธรรมสำหรับวันนี้ซึ่งก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ ในลำดับต่อไปเราจะมาปฏิบัติธรรมกันต่อเราจะมาเจริญสมัมม า, าวนาการชำระ ก, กิเลสโลกโกรดหลงขั้นที่หนึ่งคือการทําใจให้นิ่งๆให้สงบไม่ให้คิดปรุงแต่งพอเวลาใจหยุดคิดปรุงแต่งแล้วความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆก็จะไม่สามารถทํางานได้ขอใจนิ่งใจสงบ ก, กิเลสไม่ทํางานความทุกข์ที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปชืว่วคราว ความสุขงานยิ่งใหญ่ความสุขที่ไม่เคยมีปรากฏในชีวิตเราก็จะโผล่ขึ้นมาวิธีนั่งสมาธิที่ถูกต้องเวลานั่งนี้เราจะต้องมีสติคอยกํากับใจคอยควบคุมใจให้ระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งอารมณ์เหล่านี้เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานคืออารมณ์ที่เราจะใช้ผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆ <c oughs> ใช่เวลาเรานั่งเราต้องนั่งแล้ว ม, มีกรรมฐานเช่น พุทโธนี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเรียกว่าพุทธานุสติคือการนัลถือถึงพระพุทธเจ้าโดยการนัลถือถึงชื่อของพระพุทธเจ้านั่งแล้วเราก็ต้องพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าทิ้งพุทโธอย่าหยุดพุทโธอย่าเผลออย่าไปตามรู้อย่างอื่นไม่ไม่ใช่พอนั่งพุทโธได้สองคำเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องนั้นคิดไปเรื่องนี้ต้องอยู่กับพุทโธอย่างเดียว มีอะไรเข้ามาทางใจมาหลอกมาเล่อเราก็อย่าไปสนใจมีเสียงที่ได้ยินก็ดีมีแสงที่ปรากฏก็ดีมีภาพอะไรปรากฏขึ้นมาอย่าไปสนใจให้เกาะติดอยู่กับพุทธโธพุทโธไปถ้าเราใช้พุทธโธพุทธโททธโทนี้เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งบางคนก็จะใช้ลมหายใจเขาออ้ากก็ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออก ไม่ต้องบังคับลมให้หายใจลึกหายใจยาวให้ดูลมเฉยๆดูว่ากาลังเข้าหรือกําลังออกดูว่ามันสั้นหรือมันยาวดูว่ามันหยาบหรือมันละเอียดดูว่ามันหายไปหรือเปล่าถึงแม้มันหายไปก็ดูต่อไปดูอยู่ที่จุดเดิมดูอยู่ที่ปลายจมูกเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งสงบเข้าสู่สมาธิ ต, ตามลาดับต่อไปถ้าเราไม่ไปคิดอะไร ถ้าดูลมได้ก็ดูลมถ้าดูลมไม่ได้จะใช้พุทธโธก็ใช้บริกรรมพุทธโธไปบางท่านก็อาจจะใช้พุทธโธกับลมควบคู่ไปก็ได้หายใจเข้าก็ว่าพุทหายใจออกก็ว่าโธก็ได้บางท่านอาจจะไม่ใช้ทั้งสองวิธีนี้ก็ได้อาจจะใช้การสวดมนต์ก็สวดบทแผ่เมตตาก็ได้สเพสัตาเวลาหหนตุไปสวดไปเรื่อยๆสวดไปหลายๆรอบจนกล้าใจจะนิ่งใจจะเย็นใจจะ ไม่อยากจะสดวดเราก็ลองหยุดสวดดูถ้าหยุดแล้วใจไม่คิดอะไรเราก็มีสติคอยควบคุมใจให้อยู่นิ่งๆไปนานนๆอันนี้คือวิธีตัวอย่างซึ่งยังมีหลากหลายวิธีด้วยกันที่สามารถเอามาใช้ในการควบคุมใจให้ใจใ ห, ให้ให้ใจนิ่งให้ใจสงบให้ใจเข้าสู่สมาธิให้เกิดความสุขอันยิ่งใหญ่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะ อย่าไปสนใจอะไรที่ปรากฏให้เรารับรู้จะคันก็ไม่ต้องไปเกาน้ำลายจะไหลก็ไม่ต้องไปเกินปล่อยมันอย่าไปยุ่งกับมันให้อยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมไปแล้วอยู่กับการสวดมนต์ไปแล้วแต่เราจะใช้วิธีใดก็เอาวิธีนั้นไป <c oughs> แล้วต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิกันจนกว่าจะหมดเวลา ถ้าตอนนี้เวลานั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกนั่งก็ให้เราสังเกตดูว่าวันนี้เรานั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้สังเกตดูวิธีนั่งว่านั่งอย่างไรเราจะจดจำวิธีนี้ไว้คราวหน้าเวลานั่งก็ใช้วิธีนี้ต่อได้เลยอย่านั่งแล้วอยากให้มันสงบเหมือนวันนี้มันจะไม่สงบด้วยความอยาก แต่มันจะสงบด้วยวิธีนั่งที่เราทำกันในวันนี้ถ้านั่งเรายังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายังมีกำลังน้อยพยายามจเจริญสติให้มากขึ้นในระหว่างวันมันจเจริญพุโทโธพุโทโธหรือดูการเคลื่อนไหวของร่างกายลดความคิดให้น้อยลงไปแล้วต่อไปเวลามานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายได้เร็วขึ้น ต่อไปนี้ก็จะอนุโมทนาให้พรยะถาวารรวะหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตจินังเปตานังอุ ป, ปกาปติปิชิตังปิจิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตตสังกปา จันทูปนาราโสยธามณีโชติราโสยธาสัพพิติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินัสตตมาเตภวตวันทรายยสุขิตีขายุโกภะ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 พระอาจารย์สุชาติอภิชาโต307คน YouTube พระสุชาติไลฟ์สาย YouTube Dr B Channel ี่ิบเจ็ดน o u t u b Clubhouse ผู้รับฟังธรรมะหน้ากุฏิ155้าท่านรวมทั้งหมด824ครับมีคำถามไหมอยากจะถามอะไรหรือเปล่า เอาไมา้ไปอพูดใกล้ๆปากเลยกรับข้าพาจยานะผมผมมีความสงสัยว่าเอออย่างเช่นว่าคนที่เขาเกิดมาในชาตินยเราเป็นคนที่ร่ำรวยนะ ซ, ซ, ซึ่งผมเคยได้ยินว่าอดีตชาติเขาอาจจะเคยทำบุญสุนทานมาแล้วเป็นคนที่ร่ำรวยแต่ในภายหลังกลับกลายเป็นคนช่อโกง หรือว่าคดโกงผมก็เลยสงสัยว่าทําไมเขาถึงไม่มีอุปนิสัยการทําบุญสุนทานติดตัวมาแล้วครับกราบๆคําถามประมาณนี้ครับพระอาจารย์อาจจะทําให้มากยังไม่เป็นนิสัยขึ้นมาถ้า้องทํามากๆทําบ่อยๆจนมันติดเป็นนิสัยมันก็จะเปลี่ยนยากแต่ถ้าทําแล้วทําให้มากเวลามีเหตุการณ์หรือมีสิ่งแวดล้อมมาก็อาจจะทําให้เปลี่ยนไปได้ นันไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งอะไรที่แน่นอนเสมอไปนั้นก็ต้องทำให้เป็นแบบบารมีเลยอย่างถ้ามีทานบารมีอย่างพระเวสสันดร น, นี่ก็จะทำแต่ทานอย่างเดียวจะไม่ทำบาปก็แสดงว่าอาจจะทำไม่มากพ อ, กอจจะทำบุญแต่ไม่รักษาศีลก็ได้ทำบุญชอบทำบุญแต่ไม่รักษาศีลอยังชอบโกหกอยู่ <laughs> ต้องทําทั้งสองอย่างครับถ้ารักษาศีลเราก็จะไม่ทําความชั่วเลยทํําทาบุญอย่างเดียวยังทําไปทําบาปได้อยู่แต่ถ้ารักษาศีลแล้วทํำบาปไม่ได้เลยเข้าใจนะมีคําถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏิสี่คำถามครับคําถามแรก มีวิธีปฏิบัติอย่างไรทำให้จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวเหมือนแท่นศิลาความทุกข์เข้ามาไม่ได้ครับก็ต้องเจริญสติมากๆแล้วนั่งสมาธิบ่อยๆสตินี้ต้องเจริญทั้งวันเลยลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอมีเวลาว่างก็นั่งสมาธิ นั่งดูลมหายใจเข้าออกหรือบริกรรมพูดโทพูดโทไปต้องฝึกอย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนจนกว่าจะได้ฌานพอได้ฌานแล้วทีนี้ใจก็จะตั้งมั่นมิลเบกขาไม่หวั่นไหวไม่ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงคำถามที่สองปฏิบัติอย่างไรทำให้เกิดโพชงทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์เพราะโพชงทั้งเจ็ด ทำให้จิตและวิมุตติบริบูรณ์ครับก็เริ่มต้นด้วยความเพียรนยะต้องมีความขยันหมั่นเพียรที่จ ะ, จะเจริญสตินั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมพิจารณาปัญญาแล้วโ้ชงเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นมาคำถามที่สองผู้ใดมีสติขณะที่มีพัทษะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายย่อมไม่เกิดกิเลสสามารถบรรลุนิพพานได้ไหมครับ ถ้าสามารถกําจัดกิเลสได้ก็บรรู้ได้ถ้ายังไม่สามารถกําจัดกิเลสได้ก็ยังบรรลุไม่ได้สติอย่างเดียวยังไม่พอต้องมีปัญญาด้วยต้องเห็นว่าสิ่งที่กิเลสต้องการเป็นทุกข์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาล้วก็จะหยุดกิเลสได้อย่างถาวรคําถามที่สี่ครับบริษัท โกงสีรุ่นที่สองของครอบครัวพี่น้องเริ่มโกงเงินโกงสีกันเมื่อมีวิกฤตต่างคนต่างก็โกงกันมากขึ้นรู้สึกว่าเสียใจถูกเอาเปรียบและยังคงลำบากอยู่ขณะที่คนโกงรวยสุขสบายแต่ก็รักน้องไม่อยากทะเลาะแต่ก็ทําใจไม่ได้เครียดและเสียใจครับขอพระอาจารย์ชี้แนะการมีหลักคิดอย่างไรครับ คือการโกงการทำบาปเพื่อให้ได้ทรัพย์มานี้มันได้ไม่คุ้มเสียเราจะได้ทรัพย์มาได้อยู่ในโลกนี้ไปอย่างมีความสุขสบายแต่บาปที่เราทำนี่มันจะติดตัวไปกับเราเวลาเราตายแทนที่จะไปสวรรค์ล้วอาจจะไปเป็นเปรตแทนทาบาปด้วยความโลภนี่จะไปเป็นเปรตแตถ้าเราไม่ทำบาปเราซื่อสัตย์สดจริตหาเงินหาทองมาโดย สุดจิตตายไปเราก็ไม่ต้องไปเป็นเปรตถ้าเราทำบุญด้วยเราก็จะไปสวรรค์ไปเป็นเทพแทนเพรนั้นเราต้องมองไกลๆอย่ามองแต่เฉพาะช่วงชีวิตนี้เท่านั้นเองชีวิตพวกเรานี่สั้นมากไม่กี่ปีก็ตายกันหมดแล้วไม่เกินแปดสิบเก้าสิบปีแต่เวลาเป็นดวงวิญญาณนี่มันอาจจะเป็นร้อยปีเป็นพันปีหมื่นปีก็ได้ต้องไปอยู่เป็นเปรตเป็นหมื่นปีพันปี ชู่อยาไปดีกว่าชื่อไปเป็นเทพดีกว่าไปอยู่บนสวรรค์ดีกว่าเสียสละยอมให้เขาเอาโกงไปก็ถา้าเราได้ทำบุญถือว่าเป็นเงินส่วนของเราส่วนหนึ่งที่เขาเอาไปเราก็ยินดีให้เขาเอาไปเชื่อเป็นการทำบุญทําทานไปแล้วเราก็จะไม่ทำบาปไม่โกงไม่โกงกงสีทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น ตายไปเราจะไม่ต้องไปเกิดในอบายไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปตกนรกหรือไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอันนี้ต้องมองไกลๆชีวิตเราไม่ได้จบแค่ที่ร่างกายนี้ตายดวงวิญญาณคือใจของเรานี้ไม่มีวันตายต้องเป็นผู้ไปรับผลบุญผล บ, ญบาปต่อไปมีอีกหนึ่งคำถามครับจากนากุฏิเวลาเพื่อนหรือญาติที่ไปวัด ทำบุญหรือทำทานแล้วกลับมาบอกว่าเอาบุญมาฝากอย่างนี้ผู้รับที่ไม่ได้ไปด้วยจะได้รับบุญตามที่เขาบอกหรือไม่ครับไม่ได้หรอกได้ก็ดีแต่เพื่อต้องทำบุญน้อ ม, มีคนะทำบุญมาให้เหราไม่เหมือนทุเรียนเนี่ยถ้าไปซื้อทุเรียนเอามาฝากได้แต่บุญนี่ของใครของมันต้องทำเองคำถามต่อไปจากคุณใบ ปกติจะสวดมนต์ทุกวันพอลองนั่งสมาธิกำหนดพุดโทโธจนเห็นจิตร่างกายกับเวทนาแยกส่วนกันไปแล้วจึงพอเข้าใจว่ากายกับใจไม่ใช่ของเราพอฉุกคิดได้ดังนั้นก็เกิดจินตนาการเห็นคนที่รักและคนในโลกสลายไปเหมือนไม่มีตัวตนในโลก จิตก็เกิดอาการตกใจคล้ายกับรับไม่ได้ครับประกอบกับที่เคยเป็นโรคซึมเศร้าแต่ก็ทานยาจนอาการดีขึ้นแล้วตอนนี้จึงหยุดการปฏิบัติไปก่อนแต่ก็อาการก็กำเริบขึ้นมาอีกควรเยียวยาตัวเองอย่างไรดีครับเพราะเหมือนมันวนคิดภาพร่างกายคนสลายทำให้นอนไม่หลับครับ เ, ออเวลาเกิดภาพเหล่านั้นขึ้นมาก็ใช้ทำบริกรรมพุทโธพุทโธไป สวดมนต์ไปแทนอย่าไปสนใจกับภาพเหล่านั้นคิดว่าเป็นเหมือนดูภา พ, พยนตร์นะมันไม่ได้เป็นของจริงมันเป็นภาพจินตนาการปรากฏขึ้นมาในใจถ้าดูแล้วทาให้ใจเราไม่สบายก็อย่าไปดูมันกลับเข้าหาพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์อิติปิโสไปก็ได้เอาเดี๋ยวภาพเหล่านั้นก็จะหายไปแต่ไม่ควรหยุดปฏิบัติเพราะการปฏิบัติสตินั่งสมาธินี้จะช่วยทําให้อาการซึมเศร้านี้หายได้ เราจะทำให้จิตใจเรามีพลังต่อไปเราก็จะกล้าดูภาพต่างๆได้คำถามต่อไปจากคุณเคทีการเดินจงกรมบนเครื่องเดินออกกำลังกายเทร m มิ l แล้วภาวนาพุทโธตามการก้าวเท้าอยู่กับที่เทียบกับการเดินจงกรมได้ไหมครับได้คือการเดินนี้มันไม่สำคัญมันเดินด้วยสติหรือไม่มีสติที่สำคัญ สิ่งที่เราต้องการจากการเดินก็คือให้เรามีสติอยู่กับการเดินไม่ใช่ว่าเราต้องเดินกี่กี่กิโลกี่อะไรระยะทางไม่เป็นตัววัดการปฏิบัติตัวที่วัด ต, ตัวปฏิบัติก็คือตัวสติว่าเรามีสติมากน้อยเพียงไรสติใจเราอยู่ต่อเนื่องไม่ลอยไปลอยมากับความคิดได้หรือไม่อันนี้คือการเดินจงกรมหรือนั่ ง, นงสมาธิคือการจเจริญสติเพื่อควบคุมความคิด นั้นวิธีเดินจะเดินบนเครื่องก็ได้เครื่องเดินก็ได้หรือเดินแบบเดินในห้องเดินเดินเดินไปด้านหน้าแล้วก็เดินถอยหลังก็ได้บางทีห้องมันสั้นระยะทางมันสั้นถ้าหมุนกลับแล้วมันจะเวียนศีรษะบางทีก็เดินแบบเดินก้าวไปข้างหน้าแล้วขาขับก็เดินถอยหลังกลับมาก็ได้ก็ดีเวลาเดินถอยหลังมันจะต้องมีสติมากขึ้นด้วยนั่นเป้าหมายของการปฏิบัติอยู่ที่การฝึกสติ ไม่ได้อยู่ที่การเดินว่าจะเดินเดินบนที่ไหนอย่างไรมีคําถามต่อเนื่องครับเรื่องการเดินจงกรมที่ถูกต้องเอาสติไว้ที่ลมหายใจหรือไว้ที่เท้าครับเ อ, อที่เท้ามันจะง่ายกว่ามันชัดกว่ามันเห็นได้ชัดลมลมนี่มันดูยากว่าลมมันเป็นของละเอียดเวลาเดินให้ดูที่เท้า ก็ได้หรือบริกรรมพุโทโธไปก็ได้ mm. ถ้าถ้าอยากจะดูลมต้องนั่งเฉยๆหรือยืนเฉยๆอันนี้ก็จะดูลมได้ง่ายขึ้น mm. ครับมีคำถามจากผู้ฝากถามครับเรื่องสินข้อที่เจ็ดและแปดสำหรับถือสินที่บ้านในชีวิตประจำวันครับข้อแรกสินข้อที่เจ็ด ถ้าต้องออกจากบ้านจะทาโลชั่นเบาๆกับครีมกันแดดได้ไหมครับเนื่องจากเป็นคนผิวแห้งถ้าเป็นแบบธรรมดาที่ไม่มีกลิ่นเพื่อเป็นการป้องกันผิวไม่ต้องเสียเงินรักษาและเนื่องจากตัวเองประกอบค้าขายออนไลน์สามารถใช้คอมพิวเตอร์กับมือถือเพื่อคุยเรื่องค้าขายได้ไหมครับและสามารถดูข่าวสารเศรษฐกิจอะไรต่างๆแบบนี้ได้ไหมครับ ไม่ได้เสพเรื่องบันเทิงและอยากทราบขอบเขตการคุยไลน์หรือโทรศัพท์ถ้าเพื่อนโทรมาครับก็พูดถึงเรื่อง ก, การใช้ครีมก่อนถ้าใช้ครีมเพื่อรักษาร่างกายปัญญาเนี่ใช้ได้ถ้าใช้เพื่อเสริมสวยความงามเป็นเครื่องสมอางนี้ใช้ไม่ได้เราไม่ต้องการเสริมกลามารมณ์กลามคือความสวยงามของร่างกาย แล้วเรื่องการทำงานถ้าเอาเครื่องมือมาเป็นเป็นการใช้เป็นเครื่องมือการทำงานก็ใช้ได้จะเป็นคอมหรือเป็นอะไรก็ได้ถ้าเป็นเกี่ยวกับการทำงานเพลงอย่างเดียวส่วนเรื่องการติดตามข่าวสารต่างๆถ้ามันจำเป็นต้องติดตามเพราะมันเกี่ยวกับการงานก็ติดตามได้แล้วก็มีอะไรอีกหมดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็มีเป็นสินข้อที่แปดครับเรื่องที่ว่าการนอน คือเขายังนอนอยู่บนเตียงเดิมที่เคยใช้มาครับแต่เขาบอกว่าบัญญัติสินข้อนี้ไวเพื่อไม่ให้เกิดความขี้เกียจในการปฏิบัติอยากนอนมากหลังจากที่ตื่นแล้วถ้าหากเราตั้งมั่นว่าจะลุกขึ้นทันทีเมื่อถึงเวลาเตือนเมื่อถึงเวลาตื่ น, นจะไม่นอนหลับต่ออยู่บนเตียงเดิมอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ไหมครับ ก็ไม่รู้จะทําได้เปล่าเวลามันถึงเวลาจริงๆมันมันอยากจะนอนขึ้นมาอันจะสู้ไม่ไหวก็ได้งั้นเพื่อทําให้มันยากก็นอนบนพื้นแข็งๆดีกว่านอกจากว่าถ้าเราหลังเจ็บหรือไม่สบายนอนบนพื้นแข็งไม่ได้ก็ต้องอนุโลมหาเบาะบางๆมานอนแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อย่านอนบนฟูกหนาๆเตียงสบายเพราะเรามักจะแพ้กิเลสตอนเวลาตั้งใจก็ตั้งใจดีอยู่อ่ะ พอเวลาถึงเวลาจะทํานี่มันใจมันอ่อนไปหมดเลยบางคนบอกว่าจะไม่ดื่มชูลาอย่างนี้พอใกล้ถึงเวลาเคยดื่มชูลาขึ้นมาใจมันมือไม้มันสั่นไปหมดเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ว่าเราต้องมีความเข้มข้นทําให้มันยากกับการที่เราจะต้องทําตามกิเลส จ, จะดีกว่าแต่ถ้าคิดว่าใจเราแข็งพอนอน นอนพักให้ร่างกายได้พักผ่อนสีห้าชั่วโมงแล้วพอตื่นขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาเลยก็ก็ตามก็ทำได้อันนี้การปฏิบัติของเราก็เป็นเรื่องของเราที่เราจะต้องวิเคราะห์ดูครับและเมื่อถือศีลแปดจะวางใจอย่างไรถ้าหากต้องไปงานเลี้ยงบ้างในบางโอกาสครับก็ถือศีลเจ็ดไปก็แล้วกันถือศีลห้าไปดีกว่าถือศีลห้าไปก็แล้วกัน พงานเลี้ยงก็ต้องกินข้าวเย็นด้วยแล้วอาจจะมีบันเทิงมีร้องนำทำเพลงอะไรกันไปเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีเหตุจำเป็นก็ถ้ า, ถาเราก็ต้องเปลี่ยนไปจากศินแปดมาเป็นศินห้าชั่วคราวก่อนเฉพาะเะพาะพกิจอย่าทำจนติดนิสัยก็แล้วกัน <laughs> คำถามต่อไปจากคุณประพันธ์ เพื่อนฝากถามว่าหัวหน้างานให้ย้ายตำแหน่งงานที่ต้องทำงานหนักมากกว่าจะเลิกงานก็สามทุ่มครึ่งในแต่ละวันไม่มีเวลาให้ลูกอายุเก้าขวบและตนเองสุขภาพร่างกายก็ย่ำแย่ลงควรจะทำอย่างไรดีครับคิดว่าถ้าเขาให้เราออกจาก ง, งานนั้นยังไงจะดีกว่ากันถ้าตอ ง, งานมีเวลาเยอะอยู่กับลูกได้เต็มที่แต่ไม่มีเงินเลี้ยงลูกไม่มีเงินเลี้ยงตัวเราเอง มันถ้าเรายังไม่มีทางเลือกที่ดีกว่าก็ต้องทนไปก่อนถ้าเรายังต้องทำงานเพราะเราหางานใหม่ไม่ได้เราก็ต้องทนไปก่อนแต่เราก็ไม่ต้องอยู่เฉยๆก็คอยสังเกตหางานดูว่าที่ไหนมีงานที่เราที่เราจะสามารถมีเวลาให้กับตัวเรากับลูกเราได้มากขึ้นก็ค่อยเปลี่ยนงานไปแต่ถ้าตอนนี้ไม่มีงานก็ต้องใช้ความอดทนเพราะว่าดีกว่าตกงาน ตรงงานแล้วมันยิ่งจะทุกยากลาบากยิ่งกว่าตอนที่มีงานทํา <c oughs> คําถามต่อไปจากคุณต้องตายมเข้าใจว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์เพราะต้องมีความพลัดพรากและความไม่เที่ยงแต่บางครั้งความรักคนรักก็มาแบบที่เราไม่ได้ตั้งใจเป็นเพราะเหตุใดครับที่ทําให้คนเราได้เจอกันต้องมารักกันเมื่อเจอกันแล้วในที่สุด ก็ต <formation> ้องพัดพรากจะวางใจอย่างไรให้มีความรักโดยไม่ทุกข์ครับก็ต้องเตือนใจเอาเรียกว่าเป็นความรักชั่วคราวอันนี้จังเป็นของชั่วคราวรักได้แต่ต้องรู้จรู้ว่ามันมีเวลาจบดูหนังเรายังรู้เลยว่าเดี๋ยวสองชั่วโมงหนังก็จบนะดนั้นชีวิตของเราความสัมพันธ์กับเรากับคนก็เหมือนกันมันเป็นของชั่วคราว แต่ถ้าเราทําใจไม่ได้ก็อย่าไปมีความสัมพันธ์ดีกว่าหันอยู่คนเดียวให้ได้ mm. แต่ถ้ายังอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้มากขึ้นเพราะถ้าเรานั่งสมาธิได้เราจะมีความสุขอยู่คนเดียวได้ mm. ถ้าไม่อยากจะทุกข์กับคนนั้นคนนี้เวลาที่เขาต้องจากเราไปคำถามต่อไปจากคุณชูติรัก ถ้าหากเราถือศีลแปดและต้องไปนอนโรงแรมต้องนอนในที่นอนที่สูงจะถือว่าผิดศีลไหมครับนอนกับพื้นก็ได้ไม่มีใครเขาบางังบังเข้าไปจนอนกับเตียงพื้ น, พ, นพื้นที่เราเดินไปเดินมาในห้องเราก็เอาผ้าปูที่นอนเอาปูนทั้งหน่อยก็นอนได้ถ้าเราอยากจะรักษาศีลของเราครับมีคนที่ สักครู่ที่ถามเรื่องสินข้อเจ็ดกับแปดครับเขาขอกราบเรียนถามพระอาจารย์เพิ่มเติมในขอบเขตการคุยไลยน์หรือโทรศัพท์ถ้าเพื่อนโทรมาเล่าเรื่องบางอย่างให้ฟังเราควรวางใจในการพูดคุยอย่างไรครับถ้าเป็นนอกเรื่องนอกงานก็อย่าไปอย่าไปต่อเขาพูดกขาบ่อยเขาพูดไปแต่เราอย่าไปต่อให้มันเรื่องเป็ น, เ, ปนเรื่องยาวไปเพราะเขาหยุดพูดเราก็กลับมาพูดถึงเรื่องงานต่อ ถ้าเขายังอยากจะพูดเรื่องนั้นอย่างนี้ก็เขาขอตัวไปว่าติดธุระจะต้องไปทำทาธุระอะไรอย่างอื่นไปเพราะถ้าคุยเรื่องอื่นเรื่องนินทาการเลมันจะยาวเรื่องการเมืองการบ้านอะไรนี้มันจะยาวแล้วจะทำให้ใจเราฟุง้งใ จ, จเราเครียดได้งนั้นพยายามรักษากรอบของการคุยกันให้อยู่ในกรอบของงานการที่เราทำเท่านั้น คำถามต่อไปจากคุณ MRA 910มีคนทํานายผมเอาไว้ว่าในอนาคต จะมีผู้หญิงสวยมากเข้ามาหาสุดท้ายก็จะหลอกผมจนหมดตัว<ม>และเสียสูญเอาอย่างเอาอย่างหลีกหนีไม่พ้นไม่มีวันที่จะได้มีเงินมีทองตอนนี้ผมรู้สึกท้อใจว่าการที่ผมใส่บาตรเกือบทุกวันมาตลอดสิบกว่าปีและถือศีลภาวนามาหลายปีไม่ได้เป็นตัวช่วยเป็นเกาะป้องกันหรือมีผลดีกับชีวิตบ้างเลยหรือครับ ขออนุญาตสอบถามความคิดเห็นจากพระอาจารย์ครับเการทําบุญต่างๆนี่มันมีผลตอนหลังจากที่เราตายไปแล้ว<ม>ตอนที่เราอยู่นี่ยังไม่แสดงผล<ม>สิ่งที่เราขาดถ้าเราอยากจะอยู่ในโลกนี้ยังไม่มีความทุกข์ก็คือเราขาดปัญญา<ม>เราต้องระลึกถึงคําสอนพระเจ้าทุกวันที่สอนให้เราคิดว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาย่อมมีการพาดพากจากกันไปเป็นธรรมดาม ให้ค <Yes. S 1> ิดอย่างนี้บ่อยๆวลาหลายหายครั้งเราใจเราจะไม่หลงแล้วเราจะไม่ถูกใครเข้ามาหลอกเราได้คําถามต่อไปจากคุณจิรารัตการที่เราเสียสัจจะในการภาวนาเปลี่ยนใจไม่ปฏิบัติหรือลดทอนเวลาให้น้อยลงจะส่งผลต่อผลการภาวนาโดยรวมหรือไม่ครับเพราะช่วงหลังมีปัญหาทางด้านสุขภาพจะนอนภาวนาเป็นหลักครับ เราก็จะใช้สัจจะเป็นตัวบังคับเราไม่ได้ที่เราใช้สัจจะนี้เพื่อบังคับใจเราบางทีใจเราโลเลเราก็ตั้งสัจจะพอตั้งสัจจะแล้วมันก็ไม่ก้าโลเลยพอถึงเวลาก็จะทำตามที่เราตั้งไว้ถ้าเราไม่ตั้งสัจจะเดี๋ยวถึงเวลาเราก็เปลี่ยนใจได้อ๋อวันนี้เราไม่ได้ตั้งสัจจะตั้งไว้เฉยๆนั่งก็ได้ไม่นั่งก็ได้่บงนี้มันก็จะทาให้เราไม่คืบหน้าในการปฏิบัติ ถ้าอยากจะให้มันคืบหน้าในการปฏิบัติเราต้องรักษาสัจจะของเราก่อนที่เราจะตั้งสัจจะเราต้องคิดให้ดีก่อนว่าเราจะสามารถทำตามที่เราคิดไว้ได้หรือไม่ถ้าเรายังไม่มีกำลังพอที่จะทำตามสัจจะ ก, ก็อยา่าเพิ่งไปตั้งหรือตั้งให้มันน้อยลงเช่นจะตั้งว่านั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงก็เอาแค่สิบนาทีก่อนใ ห, ให้ดูว่าเรานั่งสิบนาทีได้หรือเปล่าก่อนแล้วพยายามอดทนนั่งไปให้มันครบสิบนาทีอย่างนี้ อย่าไปตั้งสัจจะในสิ่งที่มันเหนือวิสัยที่เราไม่สามารถที่จะทำได้แล้วมันจะทำให้เรากลายเป็นคนไม่มีหลักไม่มีสัจจะในตัวของตัวเองจะทำอะไรก็จะไม่สามารถทาให้สาเร็จได้คำถามต่อไปจากคุณทีคำว่าวิปัสนาแปลว่าอะไรครับและเราควรที่จะเปลี่ยนจากสมถะเป็นวิปัสนาเมื่อไรครับออวิปัสนาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริง เห็นแมวเป็นแมวเห็นหมาเป็นหมานี้ตอนนี้เราเห็นสลับกันเห็นหมาเป็นแมวเห็นแมวเป็นหมาคือเห็นสุขเป็นทุกข์เห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเราต้องมาให้ถอนใจให้เห็นว่าทุกข์ก็คือทุกข์สุขก็คือทุขไม่เหมือนกันแต่เราเห็นสลับกันเราเห็นความสุขทางโลกว่าเป็นความสุขแต่ความจริงมันเป็นความทุกข์ลาบยศสารเสริญสุขนี่มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเจริญแล้วก็เสื่อม เวลามันเสื่อมเมื่อยจยทำให้เราทุกข์เรามองไม่เห็นความเสื่อมของสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสุขดังนั้นต้องสอนใจเราด้วยปัญญาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ในโลกนี้เพราะมันเป็นของที่เสื่อมเสื่อมได้ส่วนของที่ไม่เสื่อมเรากลับมองไม่เห็นก็คือความสงบของใจที่เกิดจากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาดันั้นเราต้องมาสอนใจให้เห็นความสุขที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไงความทุกข์ที่แท้จริงเป็นอย่างไร แล้วเราก็จะได้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปติดกับความทุกข์อีกต่อไปนี่คือวิปัสสนาแต่ก่อนที่เราจะสอนใจให้เห็นความจริงเหล่านี้แล้วทำตามได้เราต้องมีสมาธิก่อนคือเราต้องหยุดใจหยุดความอยากของเราให้ได้ก่อนเพราะความอยากของเรามันจะอยากไปหาความทุกข์ที่เป็นที่เราคิดว่าเป็นความสุขกันอยากจะไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสแต่พอปัญญาสอนว่ามันเป็นทุกข์ แต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีกำลังหยุดมันก็หยุดไม่ได้งั้นเราต้องมาฝึกสตินั่งสมาธิจนกระทั่งเราสามารถหยุดจิตหยุดความอยากให้ได้ก่อนพอหยุดความอยากได้แล้วเวลาความอยากต้องการจะไปหาความทุกขเราก็บอกว่ามนนันเป็นความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขเราก็จะหยุดความอยากได้คำถามต่อไปจากคุณประพันธ์ ผมถูกให้ออกจากงานตอนอายุ55ปีเป็นโอกาสในการปฏิบัติธรรมแต่มีค่าใช้จ่ายที่ต้องอุปการะลูกอายุ10ปีและค่าเทอมของลูกคิดว่าจะใช้เงินออมทยอยจ่ายแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเงินออมจะเพียงพอกับค่าใช้จ่ายของลูกและตนเองไปตลอดหรือไม่ครับผมควรทำอย่างไรดีครับก็ควรที่จะใช้จ่ายกับสิ่งที่จาเป็นเท่าพอคือปัจจัยสี่ ไอ้มีข้าวกินมีเสื้อผ้าใส่มีบ้านอยู่มียารักษาโรคส่วนของอย่างอื่นมีก็ได้ไม่มีก็ได้ส่งมันเรียนไม่ได้ก็ไม่ต้องเรียนก็ได้ไปบวชเป็นเนนก็ได้อยู่วัดก็ได้เรียนฟรีที่ไหนก็มีเยอะแยะโรงเรียนฟรีก็มีดังนั้นเราเราต้องลดค่าใช้จ่ายลงให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้อาหารก็กินวันละมื้อสองมื้อทนทีกินสามสี่มื้อก็ลดลงกินเท่าที่จําเป็น ที่อยู่อาศัยก็พอหลบแดดหลบฝนได้ก็พอนะไม่จำเป็นจะต้องเป็นแมนชั่นนะแล้วก็เสื้อผ้าก็พอมีมีสายสายักสองสามชุดก็พอคอ้ยมีสิ่งที่จำเป็นต่อาการดำรงชีพคือปัจจัยสี่แบบมากน้อยสันโดษแล้วเราจะไม่ค่อยจะมีปัญหากับเรื่องเงินทองเท่าไหร่นะคำถามต่อไปจากคุณสิริเกตถ้าปฏิบัต ไปแล้วเห็นสิ่งที่ไม่ดีในตัวเราเยอะมากเราต้องทำอย่างไรครับค่อยๆกำจัดมันทีละตัวสองตัวพอมันโลบตัวโลิอยากซื้อบุหรี่ก็ตัดมันไปโลิอยากไปเที่ยวก็ตัดมันไปค่อยๆตัดมันไปมันไม่ได้โผล่มาทีเดียวพร้อมกันหมดมันก็มาทีละตัวสองตัวตัวนี้มาเราก็ตัดมันไปตัวนั้นมาเราก็ตัดมันไปตัดมันไปเรื่อยๆต่อไปมันก็หมดไปเอง คำถามจากคุณอนงนาศลูกขี้เกียจไม่เคยปฏิบัติเลยเจ้าค่ะลูกควรทําอย่างไรให้ลูกหายความขี้เกียจครับก็ให้คิดว่าถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้นะต้องทําถึงจะได้แล้วเวลาที่เราจะทํานี้ก็มีน้อยลงไปเรื่อยๆชีวิตเรานี้ก็จะใกล้สู่ความตายไปเรื่อยๆเวลาที่จะทําก็จะมีน้อยขึ้นถ้าเราไม่รีบทําตอนนี้ต่อไปเวลาอาจจะไม่พอทําก็ได้